ต่อไปว่าภิกษุปฏิบัติเพื่อละโลภะอันได้แก่การมาราคะในส่วนเบื้องต้นอย่างนี้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อข่มก่อนนะครับเพื่อขม่มเพื่อละในเบื้องต้นนะนะขวนขวายวิปัสสนาย่อมตัดโลภะนั้นได้ด้วยตติยมักโดยไม่มีเหลือครับต้องอนาคามีมักนะครับจึงจะเป็นสมุทเฉติปหานในในความเพลิดเพลินในกามทั้งหลายนะครับ ด้วยเหตุนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโลพังพิคเวเอกธรรมมังปชาหตาอหังโวปาติโพโคานาคามิตายะดูก่อนพิสูนทั้งหลายพวกเธอละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอเพื่อความเป็นพระอนาคามินะครับทละกามฉันทะละโลภะที่เป็นไปในกามทั้งหลายเนี่ยพระองค์รับรองได้เลยว่าเป็นอนาคามีทละได้จริงๆนะครับ ในที่นี้เกจิอาจารย์กล่าวคือกล่าวคำถามตั้งมาถามว่าก็โลภะที่ละในสูตรนี้เป็นโลภะอย่างไรเนี่ยนะคือเป็นโลภะในอดีตหรือโลภะในปัจจุบันหรือโลภะในอนาคตอ่ะ น, นะถ้าปฏิบัติตามสูตรนี้เนี่ยเท่ากับละโลภะที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนะครับละโลภะอันไหนทีนี้เล่าบายว่าอันที่จริงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าในสูตรนี้พึงละโลภะ ทั้งไม่ใช่อดีตโลภะที่ละเนี่ยนะครับทั้งไม่ใช่อดีตทั้งไม่ใช่อนาคตทั้งไม่ใช่อดีตอนาคตเหล่านั้นนะครับเอ่อเลยอธิบายว่าความจริงเนี่ยนะครับโลภะจิตที่ดับไปแล้วคือไอ้ตัวโลภะที่มันหมดไปแล้วเนี่ยนะครับหรือโลภะที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะก็หามีไม่ไปละมันทําไมครับมันยังไม่เกิดอ่ะหรือไอ้โลภะที่มันหมดไปแล้วก็ไม่รู้จะไปละมันทําไมไอ้โลภะที่ยังไม่เกิดก็ก็มันยังไม่เกิดอ่ะอ ไ, ไปลไมะปลมันทําไมล่ะ ทีนี้อันหนึ่งความพยายามที่ที่มีผลย่อมได้รับหมายความว่าถ้าหากว่าไปบำเพ็ญรีบโหโลภามันหมดไปแล้วนะไปเรียบละใหญ่เลยนะเหมือนกับไฟไหม้บ้านเรียบร้อยแล้วก็หาน้ำ ม, มารดใหญ่เลย อ, อันนี้ก็ไม่รู้จะทำไปทำไมหรือ ว, ว่าเหมือนกับไฟยังไม่ทันไหม้บ้านเลยเมื่อไหร่จะไหม้ไม่รู้นะรีบเอาน้ำ ม, มาราดรถไปก่อนเลยอย่างนี้หรือเปล่าครับที่ละโลภะเนี่ยนะผถามว่าละโลพาที่เป็นอดีตละโลพาที่เป็นอนาคตรหรือ ก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะครับทีนี้ต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องละโลภะที่เป็นปัจจุบันแม้ด้วยประการอย่างนี้อา้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องโลภะที่เป็นปัจจุบันสิโลภะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องละอันนั้นนะใช่ไหมครับอา้าวถ้าละโลภะที่เป็นจุปัจจุบันนะาบอกความพยายามก็ไม่มีผลอีกแล้วมรรคภาวนาเศร้ามองย่อมได้รับ คือหมายคําว่าถ้าละโลภะปัจจุบันเอ้างั้นก็มรรคกัโลภะมันก็เกิดพร้อมกันคือต้องเข้าใจเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของจิตนะครับจิตนี้จะเกิดทีละอย่างขณะที่กุศลเกิดอกุศลไม่เกิดขณะที่อกุศลเกิดกุศลก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมรรคภาวนาถ้ามันเกิดพร้อมกับโลภะมันก็ต้องเศร้ามองสิะละโลภะปัจจุบันละยังไงอ่ะนะครับก <art> ็ไม่ใช่เอกนะครับถ้าปัจจุบันสัยสติก็ละไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับ ก็ไปละมันทํำไมครับนะนะเพราะว่าถ้าขณะที่กุศลเกิดอกุศลก็เกิดร่วมด้วยทระปัจจุบันนะนต้องเกิดพร้อมกันนตีขนานกันแต่นี้อกุศลกับอากุศลไม่เกิดพร้อมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าละโลภะที่เป็นปัจจุบันนี่นะครับมรรคภาวนาก็เศร้ามองไปนะครับมันเจือด้วยกิเลสนะนะมันก็เศร้ามองไปนะเพราะความพยายามนั้นก็สลายไปเสียแล้วนะครับ ถ้าหากว่านะคํานึงนะว่าเออการละกิเลสเนี่ยละโลภะเนี่ยไม่ใช่ละโลภะที่เป็นอดีตไม่ใช่ละโลภะที่เป็นอนาคตไม่ใช่ละโลภะที่เป็นปัจจุบันนะครับค่ะถ้าบอกว่าละที่โลภะที่เป็นอดีตอ่ะมันหมดไปแล้วอะ่ะละทํำยังไงอ่ะละที่โลภะที่เป็นอนาคตโลภะนั้นก็ยังไม่เกิดเลยอะ่ะนะครับ อ่าทละโลภาที่เป็นปัจจุบันอา้าวงั้นกุศลกากุศลมันก็เจือกันก็ผสมกันก็เศร้ามองสิเอาทีนี้ถามว่าอา้าวงั้นก็การละก็ไม่มีสิไม่ใช่ไม่มีการละมีอยู่แต่จะเข้าใจได้ด้วยเนื้อความงั้นจะต้องรู้เข้าใจอุปมาจึงจะเข้าใจว่าละโลภาอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยนะครับทีนี้ต้องเข้าใจอุปมาว่าควรจะกล่าวว่าไอการละนี่มีอยู่นะ ถามาไอ้การละที่มีอยู่เนี่ยยังไงคือเหมือนอย่างว่าต้นไม้อ่อนยังไม่มีผลนะครับสมมติเรามีมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งนะครับมันกำลังรุ่นหนมเลยนะมันยังไม่มีลูกมีล้านอะไรสักอันเลยแต่ว่าถ้าโดยปกติธรรมดาเนี่ยปีนี้มันต้องออกดอกออกผลแน่นอ น, นะนะไอ้ต้นมะม่วงอย่างเงี้ยนะ บ, บุรุษนั้นก็เอาจอบตัดต้นไม้นั้นที่โคนเนี่ยนะ ถ้าโดยปกติเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีการตัดต้นไม้ผลเหล่าใดพึงเกิดผลเหล่านั้นก็ต้องก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าปล่อยนะถ้าไม่ไปขุดไปตัดไปสับไปอะไรนะมันได้เวลามันก็ต้องออกด อ, อกออกผลเนี่ยมะม่วงต้นนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าไปตัดซะไปถอนรากถอนโคนไอ้มะม่วงต้นนี้ซะเนี่ยนะครับผลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดนะ น, นะครับเพราะต้นไม้ถูกตัดขาด จะพึงเกิดไม่ได้ฉันใดนะเข้าใจนะว่าขณะที่มะม่วงรังรุ่นเนี่ยมันไม่มีดอกมีผลอะไรเลยในต้นอ่ะแต่ถามว่าถ้าปล่อยไว้มันจะออกดอกออกผลใช่ไหมใช่แต่ถ้าหากว่าขุดขุดรากถอนโคนซะไอ้ดอกที่จักมีก็ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ อ, อ, อดีตก็ไม่ต้องไปละอะไรเพราะมันหมดไปแล้วอ่ะปัจจุบันตอนนั้นไม่มีลูกไม่มีดอกไม่มีผลอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อบรรลุอริยมรรคความโลภที่ควรจะเกิดก็ย่อมไม่เกิดถ้าถ้าปฏิบัติจนได้มรรคนะความโลภพอที่จะเกิดก็ไม่เกิดนะครับที่ว่าในคัมภีร์ยกตัวอย่างพระอนุรุทธะนะครับไปพักบ้านของโยมคนหนึ่งอันนะพักบ้านโยมผู้หญิงอ่นนะเสร็จแล้วโยมผู้หญิงก็มาเ ย, ย้ายวนเกือบทั้งคืนนะครับเนี่ยนะแต่ถ้าโดยปกติของคนทั่วทวไปก็นะครับปราชิกเนี่ยสูงมากนะครับ เ, เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหะครับว่าต้องประราชิกแน่นอนแต่ว่าท่านไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็จะยั่วยวนขนาดไหนท่านก็โลภะไม่เกิดเลยอ่ะนะครับในขณะเดียวกันก็สลดสังเวชใจด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นกิเลส ท, ที่อาศัยจากเกิดแบบนี้ท่านละได้นี่นะคือกิเลสเนี่ยนะครับมันไม่ได้แช่อยู่ในจิตตลอดเวลานะตนนนแต่ถ้าคนธรรมดาที่ไม่มีอารยมรักเนี่ยก็ต้องต้องเสร็จมางั้นเถอะ ต้องเสร็จแน่นอนแต่นี้พระนุรุสก็ไม่เป็นไรหรืออย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ใหม่ๆนะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้ละด้วยอริยมรรคนะไม่ได้ละกิเลสเป็นต้นด้วยอริยมรรคตอนที่ลูกสาวพญามารมายุ่ยโยนนี่หัวใจแตกตายเนี่ยนะถ้าบุรุษ ธ, ธรรมดาทั่วๆไปที่ยังไม่ละกิเลสอ่ะนะหัวใจก็ต้องแตกตายเนี่ยนะครับโลภะมันกลุ่มรุมแต่ขนาดว่ามาเพาะเชื้อให้ขนาดนี้นะโลภะก็ไม่เกิดนะครับ นะซึ่งธรรมดาทั่วทวไปแล้วโลภะนี่นะครับจะเกิดในอารมณ์ที่น่ารักน่าปรารถนาเรียกว่าอารมณ์ที่ในปยรูปสาตรูปคนที่บรรลุอริยมรรคแล้วเนี่ยนะครับถึงได้ปยรูปสาตารูปเท่าไหร่กิเลสก็ไม่เกิดนะครับแต่ถ้าศาสตร์ทั้งหลายทั่วทไปเนี่ยนะถ้าไม่ได้มีอริยมรรคเนี่ยพอได้ปยรูปสาตรูปก็เอาละนะครับกิเลสก็ได้ช่องทันทีเลย เพราะฉะนั้นเมื่อบรรลุอริยมรรคความโลภที่ควรจะเกิดก็ย่อมไม่เกิดเพราะถูกกาจัดในปัจจุบันด้วยบรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวว่ า, ากิเลส ท, ที่ละนี่กิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุบันแต่ควรกล่าวว่ากิเลสเนี่ยนะครับที่จักได้ปัจจัยแล้วเกิดอะ่ะถ้าอริยมรรคเกิดเนี่ยนะก็ละกิเลสนั้นได้นะครับทีนี้ต่อไปว่าขอโอกาสครับบางคนก็บอกว่า เราเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี่นะี่ยบอกว่าปียรูปสาธารูปนี่เป็นอารมณ์หรือว่าเป็นปัใจจัยให้เกิดโลภะได้นะครับโดยตรงเลยแล้วก็บางคนก็ยังบอกว่าเออไปหาสถานที่สั ป, ปะยะห่มผ้าสั ป, ปะยะอะไรสั ป, ปะยะเนี่ยมันเป็นการล่อให้โลภะเกิดหรือเปล่าเอาทางนี้ก็ต้องดูที่จริตนะครับก็ต้องรู้คำว่าสัปปะยะให้ดีนะครับ ก็ต้องศึกษาเรื่องจิตให้เข้าใจแล้วก็ศึกษาเรื่องอะไรเป็นสัพเพยะและไม่เป็นสัพเพยะนะครับเขบอกว่าถ้าคนโทสะจิตนะให้อยู่ในที่สะะอาดเป็นต้นนะครับถ้าราคะจิตก็ไปอยู่ในที่รกๆหน่อยอะไรเงี้ยนะเพราะคือเขาจะไม่ส่งเสริมให้กิเลสเกิดนะครับถ้าคนราคะจิตเนี่ยนะครับไปอยู่ในที่งามๆมันก็เพลิดเพลินอยู่นั่นแหละนะครับต้องควรไปอยู่ในที่มอเรียกว่ามอซอนหน่อยนะครับเรียกว่าซ่อมซ้อนนะนะ แต่ถ้าหากว่าโทสะเจริญเนี่ยไปอยู่ในที่รกรุงรังอย่างนั้นก็โกรธตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาที่เลี่ยงเลี่ยงไม่ให้กิเลสเกิดก่อนนะครับเพราะว่าในชั้นต้นการศึกษาพระธรรมคำสอนอยางรายเสียนิวรณ์ต้องไม่กลุ้มรุมนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนิวณ์ต้องไม่กลุ้มรุมก่อนนะครับแต่ในความโลภในในที่นี้นี่นะครับท่านกล่าวไว้ในอัตกถาว่าหมายถึงความโลภที่ได้ภูมิ คำว่าความโลภที่จะได้อารมณ์แล้วมันเกิดอะนะคำโลภไดภูมิเนี่ยนะรจริงอยู่เบนจะขันอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาชื่อว่าภูมิเพราะเป็นฐานให้เกิดความโลภนั้น น, นะคือความโลภเกิดจะเกิดเกิดที่ไหนครับอาศัยอะไรเกิดก็อาศัยขันห้านั่นแหละเกิดทีนี้แต่ถ้าหากว่าภูมิคือขันห้าเนี่ยนะครับถ้าทําปริญญาเบ็ดเสร็จบรรลุอริยมรรคแล้วนะไอความโลภที่จะอาศัยอารมณ์เหล่านี้หรือภูมิเหล่านี้เกิดความโลภอันนั้นก็ไม่ ไม่เกิดนะครับเพราะทำปริญญาเสร็จแล้วเนีย่ยนะถ้าปกติถ้าไม่ทําปริญญาเนี่ยนะไม่เจริญอริยมรต ก, ก็ยังให้โลภะมันก็เกิดนะครับทามันได้ปัจจัยนะฉะนั้นท่านจึงกล่าวอธิบายไว้ในที่นี้ว่าความโลภเกิดเพราะได้ภูมินะนะคือคืออริยมรคที่ละโลภะเนี่ยนะไม่หมายถึงละโลภะที่จากได้ภูมิเหมนะหรือได้ปัจจัยนะ ดังที่จะกล่าวว่าสาภูมิเตนะลธาภูมินั้นอันความโลภได้แล้วนนะคือความโลภจะเกิดเกิดที่ไหนก็อาศัยขัน5น้าน่แหละเกิดแต่ถ้าพิจารณาขันหจนได้บรรลุอริยมรรคความโลภที่จะเกิดเพราะอาศัยขัน5ก็ก็ไม่มีนะครับหรือว่าอารัมมาทิขตุปปนะนะครับหมายถึงความโลภที่เกิดเพราะยึดอารมณ์นะครับคือพอโลภะเนี่ยได้อารมณ์มันก็เกิดเลยใช่หครับ ถ้าไม่ได้อารมณ์มันไม่เกิดนะครับก็อย่างที่บางท่านเขาบอกว่าไปอยู่บางประเทศนะโลภะแทบไม่เกิดเลยเขาบอกว่ากามราคะแทบไม่เกิดเลยนะบอกว่าไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศบางประเทศเขาบอกโลภะแทบไม่เกิดเลยเขาบอกงั้นหรือว่าเกิดเพราะไม่ข่มไว้อเกิดเพราะไม่ได้ข่มไว้หมายถึงอวิคัมพิตุ ป, ปันณนะ คือถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้เจริญสมถะข่มเาไว้เนี่ยนะพราะได้ปัจจัยโลภะก็เกิดขึ้นทันทีผู้ที่เจริญอริยมรรคนะครับถึงได้ปัจจัยอย่างนั้นโลภะก็ไม่เกิดนะครับหรือว่าเกิดเพราะไม่ได้ถอนอาสมูหะตกปัญะเนี่ยนะครับพบบางพบภูมิบางภูมิเนี่ยโลภะบางอย่างไม่เกิดนะครับเช่นกามาราคะไม่เกิดแต่ก็ไม่ใช่ละได้จริงๆถ้ากลับมาสู่ภูมินี้ใหม่ก็เอาเรื่องละเกิดอีกละ อย่างเช่นไปเกิดเป็นอรูปรฐมเนี่ยนะครับการมาราคะแบบแบบมนุษย์เนี่ยพรหมไม่มีแล้วนะครับมโบเมเด อ, อ ร, ร, าารอนนะแต่ว่าถ้าหากว่าอาริยมรรคเกิดขึ้นนะครับกิเลสที่จะเกิดเหล่านี้ทั้งหมดไม่เกิดละนะครับจะไม่มีเกิดเด็ดขาดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ า, าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าอ้าวละกิเลสที่เป็นอดีตสิไม่ใช่ลองละกิเลสที่เป็นอนาคต กิเลสที่เป็นอนาคตก็ไม่ใช่กิเลสที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละแต่หมายถึงว่ากิเลสที่จะได้ปัจจัยแล้วมันเกิดอ่ะอันนี้อริยมรรตจะละได้ก็อยกตัวอย่างนะเหมือนกับว่ า, เ, าเจริญเมตตาตอนนี้เนี่ยเพื่อละเพื่อละความกโกรธ <ir> ใช่ไหมครับเอางี้นะละความกโกรธที่เป็นอดีตใช่ไหมถ้าเมตตานี้เกิดมันจะไปลงไงเพราะว่ามันโกรธไปแล้วอ่ะเอาละความกโกรธที่จะเป็นอนาคตใช่ไหม ละไปทําอะไรมันยังไม่ทันโกรธเลยอ่ะอยละทำไงอะเอาละความโกรธที่เป็นปัจจุบันเฮ้ย hey, ปัจจุบันนี้ถ้าเมตตาเกิดมันก็ไม่โกรธแล้วโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าเมตากับความโกรธไม่เกิดร่วมกันอยู่แล้วเอางั้นก็ไม่มีการละสิแต่หมายถึงว่าละไอ้ถ้าหากว่ามีเมตาเนี่นะด้วยอนุภาพแห่งการเจริญเมตตาได้ปัจจัยมีใครมายั่วก็ไม่โกรธนะลักษณะเนี้นะอันนี้เพียงแต่อุปมาเฉยๆนะครับ อริยมรรคทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นก็จะลักษณะนั้นนะครับเนี่ยเมื่ออริยมรรคเกิดแล้วได้เชื้อก็ไม่เกิดอีกแล้วนะครับถ้าพูดเหมือนยาก็ยาก็คื อ, ย า, คอยาประเภทที่ว่าถึงได้เชื้อนะโรคชนิดนี้ก็ไม่เกิดเหมือนกันเถอะเป็นภูมิคุ้มอันเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันอย่างแข็งแรงที่สุดเหมือนกันเถอะนียโรคชนิดนี้ไม่เกิดถาวรเ่างอนกันเถอะถ้าได้ได้ภูมิ น, นี้แล้วนะ ได้ภูมิคุ้มกันชั่นดีอย่างนี้แล้วเนี่ยหรืออารยมรักเนี่ยละถ้าได้ภูมิคุ้มกันขนาดอารยมรักษแล้วนะเชื่อกิเลสเกิดขนาดไหนกิเลสก็ไม่เกิดอันนี้ถ้าบอกว่าถ้าใช้คําว่าป้องกันกิเลส ท, ที่จะเกิดในอนาคตไม่ใช่ป้องกันครับเพราะว่ามันมันจะไม่เกิดเด็ดขาดแต่กิเลสเนี่ยนะมันเป็นคือจะใช้แบบสัมนวนคำว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยนะหมายความว่า อถ้าภูมิมนั้นยังอยู่ภูมิคุ้มกันนั้นอยู่เชื้อโรคทั่วๆไปก็ไม่เกิดก่อนนะโรคที่ที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ไม่เกิดแต่อันนี้มันเป็นภูมิคุ้มกันระดับเกราะเพชรเลยนะยังไงก็ไม่เกิดเด็ดขาดอยงนั้นนะครับแต่ว่าจะเข้าใจดีก็ต่อเมื่อบรรลุแล้วนะครับถ้าเป็นธาตุนาคามีแล้วยังไงโลภะก็ไม่เกิดเด็ดขาดนะครับใครจะมายั่วยวนขนาดไหนก็ไม่เกิด อาการที่เราพยายามที่จะเจริญเมตตาในปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อที่ว่าเราจะไม่ไม่เป็นคนที่โกรธง่ายอย่างเงี้ยอย่างงี้นี่ไม่เชื่อว่าเราวางแผนสําหรับละโทสะอันจะเกิดในอนาคตหรือถ้าได้ปัจจัยถ้าใช้คําว่าอนาคตเนี่ยครับมันต้องเกิดแน่นอนนะครับถ้าใช้คําว่าอนาคตนะมันต้องเกิดแน่นอนแต่นี่ถ้าอาริยมรรคเกิดเนี่ยนะครับ กิเลสเป็นอนาคตมันไม่เกิดแต่ถ้าไม่มีอารยมร์เกิดแน่นะครับพ่อคราๆว่ า, าวมันได้เชื่อนะนะใคก็ว่าตัดตัดไฟแต่ต้นลมซะว่างั้นเถอะสํานวนเจริญอาิยมรก็คือตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะนะถ้าไม่ตัดก่อนเนี่ยไหมแน่วางั้นเถอะบทว่าตัทถะคือในสูตรนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรหนึ่งโดยผูกเป็นคาถาถามว่าใครกล่าว คาถาเนี่ยนะครับคาถาในาในคำภีเนี่ยผู้ใดเป็นผู้กล่าวคาถาว่าไงครับที่ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนเนี่ยนะครับถามว่าคาถานี้ใครกล่าวตอบว่าคาถานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวนะครับพง์เป็นผู้ตรัสไว้ แต่โดยปกติทั่วๆไปในพระไตรปิฎกนะคาถาที่มีอยู่ท้ายคำพีส่วนหนึ่งนะบางทีเนี่ยนะพระสังคีติกาจา น, นี่เป็นผู้ผูกเป็นคาถาโดยเฉพาะถ้าหากว่าไปดูในมหาปรินิพานสูตรนะมหาปรินิพานสูตรที่เป็นคาถาส่วนหนึ่งเนี่ยพระสังคีติกาจา น, นี่ท่านมาผูกเพื่อสะดวกต่อการทรงจำนะครับแต่ในที่นี้คือในสูตรนี้นี่นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาความที่พระองค์ ตรัส ด, ด้วยอัธยาศัยของบุคคลผู้ชอบคาถาจึงตรัสเป็นคาถาที่จริงเนื้อความในจุนิยะนะครับคือบทบทร้อยแก้วกับบทร้อยกรองเนื้นอความไม่ต่างกันนะครับแต่บางคนนี่เหมาะกับร้อยแก้วบางคนนี่มีอัธยาศัยชอบร้อยกรองอนะก็บางคนเนี่ยนะพอฟังทำเรื่องเดียวกันเนี่ยนะถ้าพูดเป็นกาบเป็นกรองเนี่ยฟังมันพล่น น, นะมุนนะบางคนโอ้มันเข้าใจยากเอาแบบธรรมดาธรรมดานะเอาแบบภาษาคุยนี่แหละ อ่นนะอัธยาศัยที่หลากหลายกันพระองค์ก็แสดงธรรมได้เหมาะกับอัุทุกอัธยาศัยอย่างนั้นเถอะอันนี้เป็นความพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในบาทคาถานั้นถ้าขยายคาถานนะว่าเยโลเพนะลุทาเสสัตตาคัตฉันติทุกคติงเนี่ยนะที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายโลภแล้วด้วยความโลภใดย่อมไปสู่ทุกคติอันนะ้ตัวโลภะตัวนั้นแหละเป็นเหตุไปสู่อาบายทุคติวินบาตนารกนะน่ะ อธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายโลภด้วยความโลภใดอันมีลักษณะเกาะ อ, อารมณ์นะลักษณะของเขาเนี่ยเกาะไว้ในอารมณ์ใช่ไหมครับมีกิ จ, จรสเกี่ยวข้องแต่โลแต่ความโลภนั้นคืออยากได้ผูกมัดในอายตนะภายในและภายนอกนะครับใช่โลภะเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับเชือกผูกนะผูกตาให้ติดอยู่กับรูป ผูกหูให้ติดอยู่กับเสียงใช่ไหมครับผูกจมูกให้ติดอยู่กับกลิ่นผูกเล้นให้ติดอยู่กับรสผูกกายให้มัดไว้กับโพธิ์พระนะครับผูกใจให้ติดกับธรรมอารมณ์อันนไอ้ตัวโลภะตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเครื่องผูกมาเป็นตัวผูกเป็นตัวมัดเป็นตัวร้อยเป็นตัวรัดอยู่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่านะสัตว์จะโลภด้วยความโลภใดเนี่ยนะ ซึ่งมันเป็นลักษณะผูกมัดเนี่ยนะบทว่าเสเป็นเพียงนิบาทนะครับสัตว์ไม่ประพฤติสุจริตรายในกายสุจริตเป็นต้นเพราะเป็นผู้โลภอย่างเดียวเท่านั้นสะสมกายะทุจริตเป็นต้นเนี่ยนะคือที่ไม่ทําดีเนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ทําดีก็ด้วยอานุภาพของโลภะนะกายะสุจริตเนี่ยนะครับเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเว้นจากวจีทุจริตเว้นจากมโนทุจริตเนี่ยนะครับ น่าเจริญหน้าปฏิบัติมากนะครับแต่ว่าสัตว์ก็ทําไม่ได้เนื่องจากความโลภนั่นแหละทีนี้ไอ้กายยุจิเรศเนี่ยปกติมันไม่ได้ดีเลยนะครับมันชั่วช้าเล็วซา ม, มากว่าจีทุจิเรศก่อเร็วซา ม, มนโนทุจิเรศก่ไม่ดีแต่มันก็อดทําไม่ได้ก็อนุภาพของโลภอีกนั่นแหละครับแต่ทีนี้ที่ได้เชื่อว่าสัตว์เนี่ยนะคำว่าสัตว์เพราะเป็นผู้ค้องอยู่ในรูปเป็นต้นคําว่าสัตว์นี่ก็คือผู้คล่องในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารใน วิญญาณนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคําว่าสัตว์ก็คือผู้ข้องอเมื่อสัตว์ที่เป็นผู้ข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะครับไม่ประพฤติไม่ประพฤสุจริทเลยไม่ว่าทางกายทางวาจาและทางใจไปสะสมแต่ทุจริตทางกายวาจาและใจก็ย่อมเข้าถึงนรกนะครับเข้าเกิดเป็นกําเนิดสัตว์ดิรัชานเปรติวิสัยอันได้ชื่อว่าทุกคติเพราะเป็นที่ให้เกิดทุกข์ด้วยการถือปฏิสนธินะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเห็นสัตว์ในอาบายนะเห็นมดเห็นปลวกเนี่ยเออนี่นะความโลภแท้ๆเลยนะเป็นปัจจัยให้เจ้าทําความชั่วแต่ปางก่อนทําให้เจ้าต้องมาเกิดเป็นมดเป็นปลวกเป็นแมลงเนี่ยนะเนี่ยได้ยินเสียงนกมันร้องเป็นต้นเนี่ยเสียงอันนี้เนี่ยนะถ้าเจ้าทําบุญไว้แต่ปางก่อนเจ้าไม่ได้เกิดเป็นแบบนี้หรอกเนื่องจากเจ้าไม่ได้ทําบุญไว้ก่อนนะนะเจ้าจึงมาเกิดเป็นสัตว์ในอาบายอย่างนี้ แต่ว่าที่ไม่ได้ทําบุญก็เพ่อเจ้าโลภแท้ๆเลยทำํำในโลภเจ้าทำไมเป็นอย่างนี้เหมือนล็อกเราก็เหมือนกันนะครัปล่อยให้ความโลภครอบงําเดี๋ยวเจ้าก็เป็นบนรรทบุรุษของชั้นเหมือนกันนะถ้าชันตื่นภัยอันนี้ก็รีบทําความดีด้วยกายวาจาใจาเพื่อพ้นจากสภาพแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าผู้ใดที่ปล่อยให้ความโลภครอบงําย่ํายีจิตก็ไปปฏิสนธิในอบายใช่ไหมครับผู้ที่ผูกพันในจีวรตายเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวรนี่แหละครับ ตาถ้ายินดีในคุมทรัพย์ก็ตายไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าคุมทรัพย์หรือเกิดเป็นหนูเฝ้าขุมทรัพย์เกิดเป็นงูเฝ้าขุมทรัพย์หรือว่าเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าใกล้ๆแถวนั้นนะครับหรือว่าเป็นเปรตเฝ้าคุมทรัพย์ไปนะครับผูกพันในสิ่งนั้นๆเกินไปนะครับ<ม>เพราะว่าจิตที่เขี่ยวข้องด้วยวัตถุกรรมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับด้วยอํานาจโลภะเวลาใกล้าตายีนจุติอบายแน่นอนนะครับ ถ้าโลภะก่อนตายเนี่ยนะครับอบายแน่นอนได้นะครับพระองค์พยากรณ์นะเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีข้างหน้านะครับว่าถ้าโลภะก่อนจะตายเกิดขึ้นในอบายโทสะเกิดก่อนจะตายก็อบายนบในมรณาสันนวิถีนะวิถี จ, จิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยนะครับถ้าจิตเป็นไปกับอกุศลเนี่ยนะอบายแน่นอนแต่ไม่ใช่กรรมตรงนั้นนําเกิดนะครับกรรมที่เคยทําความชั่วอย่างอื่นๆ น, นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมันนาเกิดนั่นเองนะครับ บาดคาถาว่าตังโลพังสั ม, มทัญญายะปชะหันติวิปัสิโนความว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลา ย, ยรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภนั้นย่อมละเสียได้เนี่ยนะคือถ้ารู้ชัดโลภะจริงๆก็จะละโลภะได้ไอของเราเนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ก็รู้โลภะนะแต่ทําไมละโลภะไม่ได้มันรู้รู้ไม่จริงนะครับมันไม่ได้รู้ด้วยอริยมรรคเนี่ย มันรู้ด้วยรู้แบบได้ยินได้ฟังมาเชียวเฉียวหูเฉยเฉยนะครับไม่ได้รู้คุณรู้โทษรู้อัาธาอาทีนะว่าเหตุเกิดความดับนิสรณธถ่ายถอนอะไรเนี่ยมันรู้แต่รู้พอที่ประกอบเป็นอยู่เป็นยาไม่ได้นะครับอยมางนั้นนี่ยะครับรู้วิธีทํากับข้าวแต่ว่าไม่พอทําได้กินอิ่มได้นะขแบบนั้นนะครับอธิบายว่าชนเชื่อว่าผู้เห็นแจ้งเพราะเห็นอุ ป, ปาทานขันห้าเนี่ยนะมาดูที่ว่าคนเห็นแจ้งยีละโลภะได้เนี่ยคือ คนที่เห็นแจ้งเห็นขันห้าเนี่ยนะอุปาทานขันห้ามีรูปเป็นต้นโดยอาการหลายอย่างนะที่รู้รู้ขันห้าเนี่ยต้องรู้โดยอาการหลายอย่างนะรู้ว่าไม่เที่ยงเพราะอาถรวาสิ้นไปรู้ว่าเป็นทุกข์เพราะอาถรวาน่ากลัวรู้ว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะครับเท่าที่พบคําอธิบายทั่วไปก็ขันห้าในอดีตชาติก็หมดไปแล้วในอดีตชาติไม่มาถึงชาตินี้อะไรนั้นมันไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเพราะฉะนั้นท้า อันสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์เพราะมันน่ากลัวไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละมันเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระทีนี้ขันห้าที่จักมีในชาติหน้านี่นะครับมันก็หมดอยู่ในชาตินั้นแหละครับมันไม่เลยชาติต่อไปอีกรอกอันมันไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอะไรทีนี้ขันห้าทั้งหมดของชาตินี้เนี่ยนะมันก็อยู่อย่างนี้แหละครับไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะ แล้วท่านยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่านะบางแห่งก็จะอธิบายว่าเห็นขันท่าก็ไม่ใช่เห็นแค่ไม่เที่ยงเป็นทุกแป้นหน้าตายังมากขยายเป็นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกเป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอน้าตาเหมือนกันนะครับเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในขันท่าโดยอาการหลายอย่างมีความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะครับรู้ความโลภตามที่กล่าวแล้วนั้น่ะ ต้องรู้รู้จักโลภะโดยชอบอีกนะครับโดยชอบเรียกว่าโดยชอบเหตุนะครับโดยยานอันไม่วิปริตด้วยอาการเหล่านี้นต้องเอาโลภะมาวิจัยอย่างละเอียดแล้ว อ, อ, อีกนะครับคือเห็นโลภะเนี่ยนะครับโดยความเป็นจริงของโลภะว่าความจริงของโลภะเป็นอย่างไรนะครับเช่นโลภะมีลักษณะเกาะเกี่ยวในอารมณ์เป็น เป็นลักษณะยึดถือในอารมณ์เป็นลักษณะเนี่ยนะครับต้องรู้ความจริงอันนั้นให้ได้และก็รู้เหตุเกิดนะครับสมุทัยังฆะใช่ไหมครับเหตุเกิดรู้สมุ ท, ทยัยสมุทัยของโลภะถ้าโลภะจะเกิดเกิดเพราะอะไรเกิดครับเนี่ยโลภะจะเกิดเพราะสุภานิมิตมีอยู่อะโยนิโสมนัสิการให้มากๆในนิมิตนั้นเดี๋ยวโลภะที่ยังไม่เกิดก็จะจะเกิดขึ้นโลภะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะกลุม่มลมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะหรือ ผู้ที่ถือเอาแต่สุภาพนิมิตไม่เจริญอาสุภาภาวนาไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโภชนะคบปาประมิตรสนทนาแต่สิ่งที่ส่งเสริมโลภะนะครับสนทนาแต่เรื่องการประกวดนางงามอย่างเดียวเนี่ยนะฝังพวกนี้มกักๆมักเข้าก็ยังไงครับเนี่ยนะคือสมุทัยของโลภะเนี่ยคือเหตุเกิดของโลภะนะครับอันถ้าปล่อยจิตปล่อยใจยแบบนี้โลภะก็กำเริบขึ้นกำเริบขึ้นขึ้นแค่ไหนครับขึ้นก็โน่นแหละ พุ่งมากๆก็ขนาดสังฆาทิเศษหรือหนักกว่นั้นอาจจะปรราชิกเป็นต้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นของของโลภะนะครับหนักเงี้ยนั้นนี่ก็ถึงกับศึกษาลาเพศโน่นนะครับเร่าร้อนนะคะนี่แล้วก็ต้องรู้อัดถังคมะหรือรู้ความดับของโลภะถามว่ารู้ความดับของโลภะเนี่ยรู้แค่ไหนครับนี่แหละรู้ว่าความดับถ้าหากว่าเจริญอสุภาณิมิตก็ดับโลภะแบบตทางค่าประหารนะครับถ้ารู้จัก บำเพ็ญอสุภาพภาวนาก็ดับโลภะโดยแต่ทางฆ่าประหารถ้ารู้จักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ดับโลภะโดยตทางค่าประหารถ้ารู้จักประมาณในโภชนะรู้จักการคบกัลยาณมิตรรู้จักสนทนานเป็นสปายะก็จะละโลภะโดยแต่ทางฆ่าประหารอาศัยตทางค่าประหารนั้นเป็นบาดฐานเจริญวิปัสนาก็บรรลุเนี่ยอริยมรรคเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นการการดับแบบ สมุทเฉทประหารเนี่ยนะครับไอความดับเนี่ยนะอันไอความดับนี้ไม่ใช่แค่อาการที่โลภะไม่เกิดเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะคือหมายคขาว่าข้อปฏิบัติใดเพื่อกําจัดโลภะเนี่ยข้อปฏิบัตินั้นชื่อว่าอัดถังขมนะครับเพื่อความดับโลภะแล้วก็ยังรู้จักอัสาธาของโลภะนะครับว่าโลภะเกิดแล้วมันเพลินยังไงบ้างนะครับมันเคลือบเคลืมอนยังไงมันดียังไงก็ต้องวิจัยให้หมดนะครับ แต่ไม่ต้องไปเป็นเองนะครับไม่ต้องไปเคลอบเคลิ้มเองนะครับบางอย่างก็ดูจากคนอื่นก็พอแล้วนะครับแต่ไม่ต้องไปทําตัวให้มันเคลอบเคลิ้มแบบนั้นอะไรนะครับจะได้วิจัยอ่างั้นไม่ใช่นะคือบางอย่างก็อาศัยจากภายนอกหรืออาศัยอดีตหรืออาศัยศประสบการณ์อย่างไรอย่างหนึ่งก็มาพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษก็เอาละแล้วก็พิจารณาอาทีนวะนะครับพิจารณาโทษของโลภะว่าถ้าโลภะเหล่านี้เนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีโทษอย่างไรบ้างนะครับ ผลอบายทั้งหลายที่มีก็เนื่องจากมีโลภะนะครับเดรัจฉานที่มีทั้งหมดปลวกกุ้งปูปลาเป็นต้นเนี่ยนะที่มีอยู่ในทั้งหมดเนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหรืออบายทั้งหลายมีก็เพราะมีโลภะนะั่นแหละโทษอย่างหนึ่งที่เป็นวิบากใช่ไหมครับแล้วโทษแบบปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ยังไงครับโทษทั้งโลภะกลุ่มรุ ม, มใช่ไหมครับ mm. ราคะเป็นต้นเนี่ยกลุ่มรุมก็เร่าร้อนเนี่ยนะแล้วก็โลภะก็ ตัวมันเองก็ไม่เที่ยงด้วยเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นโทษของเขาแล้วก็ต้องนิสรณะนะคืออาศัยพระนิพพานเนี่นะครับเป็นเครื่องสลัดออกจากโลภะได้จริงๆนะครับแล้วก็รู้ด้วยปัญญาอันได้แก่ยาตะปริญญานะครับทําปริญญาด้วยยาตะปริญญาพิจารณาสภาวะของโลภะพร้อมทั้งปจัจจัยตีรณะปริญญาพิจารณาความที่โลภะนั้นนะ่ะ เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังโห่ฝีเป็นต้นนะครับแล้วก็ละกิเลส ท, ที่เหลือด้วยมรรคปัญญาอันเป็นส่วนเบื้องต้นของวิปัสสนานะครับคือหมายความว่าอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นใช่ไหมครับ <ME U TER S> <c oughs> เมื่อเจริญวิปัสสนาก็เป็นอุปนิสัยให้อริยมรรคเกิดเมื่อ อ, อริยมรรคเกิดก็ละกิเลสเป็นสมุเทเธทะปะหารนะครับคือไม่ให้เกิดในสันดานของตนอีกต่อไปเนี่ยนะครับนี่คือชนผู้รู้แจ้งทั้งหลายใช่ไหมครับ คือรู้แจ้งโลภะนั่นเองนะคือวิจห้โลภะได้ทุกแง่ทุกมุมนะครับไม่ใช่โอ้นี่ง่ายรู้ว่าโลภะมันเป็นกิเลสรู้แค่นี้ละยังไม่ได้หรอกครับนะมันต้องรู้จริงๆด้วย น, นะครับไม่เหมือนกับว่าเหมือนกับใหม่ๆก็เหมือนใครเรียนรู้ไข่จริงๆรู้ไข่เออนี่ป่วยขึ้นแล้วนะไม่ใช่เออรู้ว่าป่วยแล้วมันหายป่วยนะครับมันรู้แม้กระทั่งว่าไอ้ป่วยนี่มันเกิดจากอะไรแล้วจะต้องกินยาอะไรกินยาแค่ไหนมันจึงจะหายขาดเป็นต้นเนี่ยนะ มันจ้องรู้ขนาดนั้นนะครับจึงจะละความป่วยความใครอันนั้นได้โลภะก็เหมือนกันจะต้องรอบรู้อย่างจริงๆจึงจังจกละโลภะได้นะครับแต่ถ้าหากว่าอุ๊ยโลภะเกิดขึ้นก็รู้มันนะกําหนดรู้มันเฉยเฉยเนี่ยนะใช้คำว่ากำหนดเฉยเเนี่ยนะดูมันรู้มันไปก็พอแล้วนะครับพราะว่าไม่ต้องเรียนธรรมะก็ได้นะครับถ้าพูดแค่นั้นนะทำไมจึงพูดอย่างนั้นเคยถ้าใครเคยอ่านพวก อ่าหนังสือรำพันรักหรืออ่านวานวณิยายรำพันรักหรือในภาพยนตร์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะใครไปชอบใครเนี่ยนะมันก็พูดเนี่ยนะโอ้ยความรักมันเกิดอย่างนั้นมันเกิดอย่างนี้หรือฟังเพลงทั้งหลายแล้วเนี่ยนะคนที่ร้องเพลงเขาไม่ใช่ว่ากเขาไม่รู้ว่าเขาโลภะเนี่ยนะคิดถึงคิดถึงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะะอันนั้นก็เขาบอกว่าเขากําลังเกิดโลภะเหมือนกันเขารู้แต่รู้แค่นั้นไม่เพียงพอที่จะละโลภะได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้โดยเหตุเกิดรู้โดยความดับรู้โดยอัสธาธารู้โดยอาทีนวะและรู้โดยนิสรณะเป็นต้นนั่นแหละจึงจักละโลภะนั้นนั้นได้นะครับเหมือนกับบางคนก็บอกก็รู้ทั้งรู้อยู่ว่าศัตว์เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายแต่ทำไมเห็นคนตายแล้วเสียใจญาติตายแล้วเสียใจพ่อแม่ตายแล้วเสียใจมันรู้ไม่จริงครับรู้ว่าตายก็รู้เฉยๆเท่านั้นเองแต่ไม่รู้โดยเหตุเกิดความดับอัสธาธอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะครับ เมื่อไม่รู้ถึงขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความเสียใจเหล่านั้นได้หรอกครับถึงรู้ทั้งรู้ก็ตามแต่อย่าลืมว่าความรู้บางอย่างเกิดร่วมกับอะไรครับจิตทุกดวงนี่รู้อารมณ์หมดนามธรรมา ท, ทั้งหมดก็รู้อารมณ์แต่ความรู้เหล่านั้นเป็นไปกับโลภะก็มีความรู้เหล่านั้นบางอย่างก็เป็นไปกับโทสะก็มีความรู้บางอย่างก็เป็นไปกับโมหะก็มี ทีนี้ไอ้ที่รู้แล้วละได้เนี่ยนะครับไม่รู้ระดับยาตะปริญญาก็ละแบบตะทางคะเท่านั้นเองรู้แบบตีระปริญญาก็ละแบบแต่แคบบ่แบบ ต, ะแบบตะทางคะเท่านั้นเองมันต้องรู้ระดับอารยมรักนะครับมันจึงจักละได้โดยเป็นสมุทเชทาปะหารได้จริงๆนะครับบทว่าปหายะนะปุนาันติอิมังโลกังกุทาเจนังครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการในไหนนะครับ ทละโลภะที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะไม่ต้องมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วไม่ต้องมายืมท้องใครเกิดอีกแล้วอ่างนั้นนะนะไม่ต้องไปฝากคันไว้กับคนนั้นนะนะมาฝากชีวิตไว้ในคันของคนนั้นมาฝากชีวิตไว้ในคันคนนู้นจะเกิดไปเกิดผิดที่ผิดทางนะครับแม่เกิดว่านึกว่าเราส่วนเกินเนี่แย่เลยนะครับเพยาสมัยใหม่เนี่ยนะครับโอโ้โหปฏิสนธิสัก7วันเนี่ยนะครับเขาก็กินยาสักเม็ดเดียวเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับ คลอดเลยพร้อมกัปัสสาวะนั่นแหละชีวิตนี้อันตรายรอบด้านนะครับเขาบอกว่าความว่าครั้นละโลภะนั้นกับกิเลส ท, ที่เหลือพร้อมด้วยกิเลส ท, ที่สําคัญนะครับละได้แล้วยังเหลืออยู่หนึ่งด้วยอนาคามีมักย่อมไม่มาสู่โลกอันได้แก่การมาธาตุในภายหลังอีกด้วยการถือปฏิสนธิแม้ในการในไหนเพราะละ โอรัมพาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาก็มาเยี่ยมถ้าหากว่ามีบุคคลดีๆผ้านาคามีก็ลงมาเยี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมากราพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฟังธรรมมาสนธนาธรรมเป็นต้น น, นะนะหรือว่าพ้านาคามีหลายท่านอะ่ะที่เป็น เพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมในสมัยพระศาสนาพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะก็ยังลงมาหาพระกุมารกัสสปะมาผูกปัญหาให้พระกุมารกัสสปะไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ก็ลงมาหาใครอีกนะครับที่พาหยะธารุเจริะนะครับก็ลงมาหานะครับให้ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาลงมาหาปริพาชกอีกคนหนึ่งมาผูกปัญหายี่สิบข้อนะครับ ให้ไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผนธานาคามีทั้งหลายก็มาหรือแมคติการะช่างหม้อนะครับในอดีตที่เป็นพรหมก็ลงมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มานะครับแต่ว่ามาแบบมาแบบคนมีเกียรติว่า ง, งั้นเถอะมาแบบรัศมีรอบด้านนะนะไม่ได้มาอยู่อาขอฝากคันหน่อยนะขออยู่ในท้องหน่อยเงี้ยไม่มีของเราก็ไม่รู้จะไปขอมดลูกใครปฏิสนธิอีกนะครับอันก่อนก็บอกว่าเด็กที่อยู่ในคันนี่กินอะไรก็กินน้ําคล้ำอยู่นั่นนะครับ นะันะ่ะกินน้ำครัมที่อยู่ในคันนั่นแหละครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเหมือนระบบรีไซเคิลในในในในคันนั่นแหละครับนะครับถ่ายหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่ในท้องนั่นแหละครับกินหมูดกินขูดกินเยี่ยวกินสารพัดของตัวเองนั่นแหละวนอยู่นั่นแหละครับในคันของมารดานะคำน ว, นวนว่าเกิดมาก็ต้องกินน้ำครัมอยู่ในท้องอีกต่อไปก็แล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ถ้าไม่เห็นทุกเห็นโทษก็ต้องมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับเออก็ พ่อผมเพิ่งเรียนมาโยกๆนี่แหละครับ <c oughs> ที่เรียนมาเนี่ยเป็ น, เ, น เ, พเพิ่งฟังหมอเขาบรรยายเรื่องนี้มาเลยนะครับ <c oughs> นะครับว่าระบบเนี่ยนะระบบการอาหารทั้งหลายแหล <c oughs> ะอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่เด็กในคันเลยนะครับของเราเองเนี่ยนะครับ <c oughs> อย่างเช่นสำนวนที่ว่าน้าเนี่ยนะน้าในร่างกายนะน้ำลายเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยนะ น้ำลายมาจากไหนก็มาจากพวกน้ําปุบโพน้ําปุบโพนี่มาจากไหนก็มาจากน้ําเลือดเลือดมาจากไหนนะครับก็บางทีก็ส่วนหนึ่งก็กลั่นมาจากปัสสาวะนะครับมันระบบหมุนเวียนตลอดเลยน้ําในร่างกายเนี่ยนะครับน้ําบางช่วงเป็นน้ําตาอีกพักหนึ่งน่ะไปเป็นน้ําเลือดอยู่กร่วมกับเลือดอีกช่วงหนึ่งก็มาเป็นน้ําลายช่วงมาเป็นน้ํามูดมันก็กลั่นกรองมันมีระบบย่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันแม้ข้างน้ําในอุจจาระก็มาเป็นน้ําใน ะให้ตาช่ำก็ได้นะครับอีกพักหนึ่งก็ไหลไปเป็นเสลตอีกพักหนึ่งก็ไหลไปเป็นโน่นอยู่ร่วมกับน้ําเลือดช่วงก็มาเป็นแค่กับน้ํามูกไปอะไรไปเป็นน้าลายไปมันก็หมุนเวียนอยู่ในนั่นแหละครับก็เขาเรียนกันอย่างนั้นแหละครับนะครับมันก็ไหลเวียนถ้าไม่ไหลเวียนมาอย่างเงี้ยถามว่าเอาน้ํามาจากไหนครับกินแต่ว่ามันก็ขับถ่ายออกแต่ว่าระวังนั้นเนี่ยครับมันก็กล่นกรองระบบทํางานอย่างเต็มที่ ก็บอกว่ า, ายของเสียมันก็ไปที่ไตใช่ไหมครับแล้วมันก็ปล่อยที่เสียเสียจริงๆแนละ้วมันจึงจะออกส่วนที่เหลือดูดคืนหมดเลยนะครับเข้าเครื่องเครื่องกรองเสร็จแล้วไอ้ที่เสียจริงๆจึงเอาออกที่เหลือดูดซับคืนเอาไปใช้หมดนะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย ม, ม, มันเหมือนเครื่องยนต์กลไกยอยู่ในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นน้ําพักหนึ่งที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะครับโน่ในในไก่บวกกับอุจจระอยู่พักหนึงก็มาอยู่เป็นน้ําตาแล้ะ พักหนึ่งก็เป็นน้ำลายพักหนึ่งก็นู่นอยู่ในกระเพาะนู่นนะครับมหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับของร่างกายนะเลือดมันสูบฉีด ต, ตลอดมันก็รอเลี้ยงหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับเด็กในคันก็ลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าเด็กแฝดก็บอกว่าเด็กแฝด ท, ที่เกิดอยู่ในคันเนี่ยนะครับ บางที่เด็กอีกคนหนึ่งมันตาย อ, านะอ่ะนะเด็กที่มันตายที่อยู่ในคันเนี่ยนะครับสามารถไปเป็นอาหารให้เด็กที่ที่ที่อยู่อีกคนหนึ่งได้เขาบอกว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะแฝดเนี่ยก็เยอะแฝดแล้วอีกคู่หนึ่งมันตายอ่ะอีกคู่หนึ่งมันตายเช่นมันตายแล้วก็นิ้วบางส่วนมาติดพันกับเด็กอีกคนหนึ่งนิ้วของเด็กที่ตายไปมาติดที่หลังเด็กคนนี้ก็เลยเหมือนมีเหมือนกันนิ้วงอกที่หลักไอ้มือนเนี่ยงอกที่หลังเป็นด้นเนี่ยนะครับก็เนื่องจากไอ้คู่แฝดที่ตายไปนั่นเอง แต่วาตัวๆๆๆตัวแผลเนี่ยตายไปแล้วก็เป็นอาหารให้อยู่วันนี้นะครับครับส่วนหนึ่งนะหรือว่าส่วนหนึ่งที่นิ้วยังอยู่เนี่นะครับนิ้วมาแปะส่วนไหนไมันเกิดไปเชื่อมติดกับกายนะครับก็เหมือนกับคนนิ้วเกินอ่ะมือเกินเกิดที่หลังอันต้องเผาออกนะครับนีก็อันนี้มันวิจิตจริงๆครับไปดูในหนังสือในภาพในอะไรนี่จะเห็นเขาถ่ายภาพมาให้เห็นหมดเลยนะครับแฝดตัวติดกันก็มีอะไรก็มีสารพัดเหมืนๆๆอนเขาทาบกิ่งไม้เนี่ยคล้ายๆกันเป๊ะเลยครับคล้ายๆกันเนี่ยนะ เด็กสองคนมาติดกันแบบทาบกิ่งไม้ก็มีนะติดกันเกือบหมดเลยนะครับหรือบางทีตัวไหนอ่อนแอตัวนั้นก็ต้องตายไปอีกตัวก็เอาไปอยู่ไปไรไปนะครับใครมาอีกก็มานะครับแต่ว่าไม่ต้องชวนผมหรอกครับทีนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ละได้แล้วนี่นะครับตามนี้ก็ไม่ต้องมาสู่พบนี้โดยการ ปฏิสนธิพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบเทศนาลงด้วยอนาคามีผลด้วยประการชนี้นะครับเรียกว่าสูตรนี้แบบระดับโลกุตระแต่ว่าระดับอนาคามีนะครับสมุทัยศสัตร์มาในสูตรนี้โดยสรุปนะครับมาแบบสรุปสรุป น, นะคือตัวโลภะนะคือสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมครับมรรคศาต์มาโดยส่วนของปหานะคําว่าปหานะเป็นชื่อของมรรคศัตร์เป็นชื่อของมรรคศาสต์นะครับ เพราะฉะนั้นสองสัจจะนอกนี้พึงยกออกไปเพราะทั้งสองสัจจะนั้นเป็นเหตุสมุทยัยสัจเป็นเหตุของทุกขสัจมรคสัจ ก, ก็ถือเหมือนกับเป็นเหตุให้รู้แจ้งนิพพานเพราะฉะนั้นในสูตรนี้นะครับถ้าแสดงตรงๆก็คือสัจจะสองโลภะเป็นสมุทยัยสัจละเป็นชื่อของมรคสัจสมุทยัยที่โลภะเป็นเหตุแห่งทุกขมรคนี่เป็นเหตุให้แจ้ง พระนิพานนะครับเพราะฉะนั้นอริยสัจสีก็เท่ากับแสดงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมทุกขสัจกับสมุทยัยสัจมรรคสัจย่อมชัดตามที่กล่าวแล้วในคาถานั่นแลสัสจจะนอกนั้นยกออกไปในสูตรแม้อื่นจากนี้ก็ในยะเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นจะพูดแต่สัสจจะสองคือสมุทยัยสัจกับมรรคสัจนะครับในในสูตร ต, ต่อไปก็ลักษณะเดียวกันอันนี้ก็จบสูตรที่หนึ่งนะครับชื่อว่าโลภะสูตร ครับเฉพาะโลภาสูรก็หลายชั่วโมงนะครับแต่ว่าสูดหลังๆจากนั้นก็ไม่ขยายพิสดารแล้วนะครับ